เรื่องพระอชุกะชาวกรุงเวสาลีหนึ่งเรื่องหนึ่งรห้าข้าบดีผู้เป็นอุปถาของพระอชุกะในกรุงเวสาลีมีบุตรหนึ่งคนหลานหนึ่งคนต่อมาเขาสั่งเสียท่านพระชุกะว่าท่านพึงบอกที่ฝังทรัพย์แก่เด็กผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในจำนวนเด็กสองคนนี้และถึงแก่กรรมเวลานั้นปรากฏว่า หลานชายของข้าบดีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสท่านพระ a c h u c จึงบอกที่ฝังทรัพย์แก่เธอเธอนําทรัพย์สมบัติมาตั้งเป็นกองทุนและเริ่มให้ทานต่อมาบุตรของข้าบดีนั้นได้เรียนถามท่านพระอานุ์ว่าพระคุณเจ้าอานนุ์ใครเป็นทายาทของพ่อลูกหรือหลานธรรมดาลูกต้องเป็นทายาทของพ่อท่านครับพระคุณเจ้าอาชุ ก, กะบอกทรัพย์สมบัติ ของกระผมแก่คู่แข่งของกระผมไปแล้วโยมท่านพระชุ ก, กะไม่เป็นพระลําดับนั้นท่านพระชุ ก, กะกล่าวกับท่านพระนอนนท์ว่าท่านอนนท์ท่านโปรดให้การวินิจฉัยแก่กระผมเถิดขอรับท่านพระอุบาลีอยู่ฝ่ายพระชุ ก, กะถามพระอนอนท์ว่าท่านนนท์ภิกษุรูปใดบอกขมทรัพย์แก่บุคคลตามที่เจ้าของสั่งให้บอกภิกษุรูปนั้นจะต้องอาบัติอะไร ท่านพระนนท์ตอบว่าภิกษุนั้นจะไม่ต้องอาบัตอะไรโดยที่สุดแม้แต่อาบัตทุกกฏท่านพระอุบาลีจึงกล่าวว่าพระชุ ก, กะนี้อันเจ้าของทรัพย์สั่งไว้ว่าท่านโปรดบอกที่ฟังทรัพย์นี้แก่บุคคลชื่อนี้จึงได้บอกแก่ผู้นั้นดังนั้นพระชุ ก, กะจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่หนึ่งเจ